พระศาสดาพระองค์พระพุทธเจ้าก็ไม่พูดว่าไม่พูดนะพระองค์ไม่พูดว่าเราไม่มีความต้องการด้วยพัดอันเป็นเดนของท่านพระองค์ไม่พูดอย่างนั้นหรอกแต่พระองค์พูดว่าพรามส่วนอันเลิศก็ดีพัดที่ท่านแบ่งครึ่งหนึ่งบริโภคก็ดีก็เป็นของสมควรแก่เราทั้งนั้นแหละจะดีที่สุดก็ดึกสมควรที่ทานแล้วเหลือครึ่งหนึ่งก็สมควรเหมือนกัน แม้ก้อนพัดที่เป็นเดนก็เป็นของสมควรแก่เราเหมือนกันเหลือจากการบริโภคก็สมควรพรามเพราะพวกเราเป็นผู้อาศัยอาหารที่ผู้อื่นให้เลี้ยงชีวิตเป็นเช่นกับพวกเปรต <c oughs> ไม่ต่างจากเปรตนั่นแหละเขาให้อะไรก็ฉันอันนั้นนะขนาดของเป็นเดนยังได้เลยก็พระอาหารหันต์บางองค์เนี่ยเขาเอาขะอ่าอย่างพระรัฐบาลใช่ไหยพระรัฐบาลเนี่ยท่านเป็นพระอาหารหันต์แล้วนะท่านไปบินฑบาต ท, ที่บ้านท่านอ่ะขนใช้ จจะเอาขนมบูดไปทิ้งใช่ไหมของของเหลือยิ่งกว่าของเหลืออีกเนะของบูดแล้วอ่ะก็บอกน้องหญิงถ้าเธอจะทิ้งก็เท ล, ลงในบาปอาตมานะบางอย่าท่านก็เอาอันนั้นแหละไปฉันนั่นแหละอันของนั้นก็สมควรเหมือนกันเน่ยนะแต่ถ้าใครกล้าทําบุญอย่างนี้บ้างนะแต่ก็ให้เห็นว่าแม้แต่ของถ้าหากว่าเราสามารถชําระจิตได้นะของที่เหลือครึ่งหนึ่งก็สามารถที่จะให้ทานได้อ่าแล้วก็แต่คาถานี้ว่าภิกษุ ผู้อาศัยอาหารที่บุคคลอื่นให้เลี้ยงชีวิตได้ก้อนพัดอันใดจากส่วนที่เลิศก็ตามจากส่วนที่ปานกลางก็ตามจากส่วนที่เหลือก็ตามทิกษศนั้นเป็นผู้ไม่ควรเพื่อจะชมก้อนพัดนั้นถ้าไปได้อย่างเลิศอย่างดีมาก็ไม่ต้องไปยกย่องไปฟูอยู่ตรงนั้นหรอกและเป็นผู้ไม่ติเตียนแล้วก็คือไม่ตำหนิว่าโอ้ยนี้เลวจริงๆอ่ะอุย้ยทําบุญได้ยังไงอย่างเงี้ยของชุดไม่ดีอย่างนี้ ขบชันด้วยก้อนพัดนั้นทีรชนทั้งหลายย่อมสรารเสริญแม้ซึ่งภิกษุนั้นว่าเป็นมุนีอ่าเป็นที่สามารถจะชันได้อย่างนั้นเถิพราหมณ์พอได้ฟังพระคถานั้นก็เป็นผู้มีใจเลื่อมใสแล้วก็คิดว่าโอ้น่าอัศาจรร์จริงพระราชบุตรผู้ชื่อว่าเป็นเจ้าแห่งดวงประทีปมิได้ตรัสว่าเราไม่มีความต้องการด้วยพัดอันเป็นเดนของท่านยังตรัสอย่างนั้นแล้วก็ยืนอยู่ที่ประตูนั่นเองทูลถามปัญหากับพระศาสดาว่า ข้าแต่ท่านพระโคโดมผู้เจริญพระองค์ตรัสเรียกพวกสาวกของพระองค์ว่าภิกษุด้วยเหตุเพียงเท่าไหร่บุคคลชื่อว่าเป็นภิกษุเหตุกี่อย่างนะจึงเรียกว่าเป็นภิกษุภาษาสดาทรงใคร่ครวนว่าธรรมเทศนาเช่นไรหนอจึงจะสบายแก่พรามนี้พระองค์ก่อนที่จะตอบไปจะแสดงธรรมให้เขาฟังก็ตรวจดูอัธยาศัยก่อนตรวจดูบุญบารมีเขาก่อนว่าเขาสังสมบุญมายัางไง พระองค์ก็เลยทรงนำเรี่ยว่าชนทั้งสองนี้ในการของพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่ากัสสปะได้ฟังคําของภิกษุทั้งหลายผู้กล่าวอยู่ว่านามรูปโอชาติที่แล้วเนี่ยฟังเรื่องนามรูปเนี่ยชอบมากประทับใจคําว่านามรูปมากเหมือนกันการที่เราไม่ละนามรูปนั่นแหละแล้วแสดงธรรมแก่ชนทั้งสองย่อมควรคือพระองค์เนี่ยทรงแสดงตามอัธยาศัยใช่ไหมบางคนเนี่ยอัธยาศัยจะรู้เพราะขันพระองค์ก็แสดงเรื่องขัน บางคนจะบรรลุทำเพราะเรื He, ่องธาตุพระองค์ก็แสดงธาตุบางคนจะบรรลุเพราะอริยสัจพระองค์ก็แสดงอริยสัจบางคนจะบรรลุเพราะอินทรีย์พระองค์ก็แสดงอินทรีย์บางคนจะบรรลุเพราะปฏิจจสมุปบาทพระองค์ก็แสดงปฏิจจสมุปบาทตามสมควรแก่อัธยาศัยของผู้ฟังนั้นๆแล้วพระองค์ก็ตรัสว่าพราหมณ์บุคคลผู้ไม่กำหนดไม่ข้องอยู่ในนามรูป เชื่อว่าเป็นภิกษุดังนี้แล้วตรัสดังนี้ว่าสัพพโซนามารูปสัมมิงยัสะนัธิมะมายิตังอสตาจะนโสจติสเวภิกขูติวจติความยึดถือในานามรูปว่าเป็นของของเราไม่มีแก่ผู้ใดโดยประการทั้งปวงอันนึ่งผู้ใดไม่เศร้าโศกเพราะนามรูปนั้นไม่มีอยู่ผู้นั้นแล เราเรียกว่าภิกษุก็คือไม่กำหนัดไม่ค้่องไม่ติดอยู่ในนามรูปนั่นแหละชื่อว่าเป็นภิกษุละ่ะบทว่าสัรพโสแปลว่านามรูปทั้งปวงที่เป็นไปแล้วด้วยอำนาจแห่งขันห้าคือนา ม, มาขันสี่มีเวทนาเป็นต้นและรูปขันอ่ะนะขันห้านะลองไล่ดูนะขันห้าทางหูดูหูเป็นขันไหมเป็นนะเป็นรู ป, ปรขันเสียงก็เป็น รูปประคันเวทนาที่เกิดขึ้นในขณะที่ได้ยินเสียงก็เป็นเวทนาขันทัะกับเจตนาเกิดขึ้นในขณะได้ยินเสียงก็เป็นสังขารขันสัญญาในความจำตัวนั้นก็เป็นสัญญาขันจิตที่ได้ยินเสียงเป็นต้นก็เป็นวิญญาณขันก็เป็นขันห้าใช่ั้มผู้ที่ไม่ติดนามรูปก็คือติดขัน 5. ห้าั้นตัวหูกับเสียงเป็นเป็นรูปใช่หม เวทนาสัญญาสังขารและจิตที่ได้ยินเสียงนั้นก็เป็นนามธรรมอะนนก็เป็นรูปเป็นนามคําว่ามะมายิตังความว่าความยึดถือว่าเราหรือว่าของเราไม่มีแก่ผู้ใดท่านไม่มีความสําคัญว่านี่เรานะนี่ของเรานะไม่สําคัญนี่แสดงว่ารู้จริงในเรื่องนั้นถ้าใช้คําว่าความรู้เนี่อรู้ด้วยอะไรรู้ด้วยปริญญา รู้ด้วยปริญญาในเรื่องนี้เป็นอย่างดีบาทพระถาว่าอาสตาณะจะนะโสจติความว่าเมื่อนามรูปนั้นพูดถึงความสิ้นและความเสื่อมคือนามรูปนั้นจะมีจะเสื่อมจะสิ้นผู้ใดย่อมไม่เศร้าโศกไม่เดือดร้อนว่ารูปของเราสิ้นไปแล้ว เวทนาของเราสิ้นไปแล้วสัญญาของเราสิ้นไปแล้ว <secure> สังขารของเราสิ้นไปแล้ววิญญาณของเราสิ้นไปแล้วคือเห็นตามความเป็นจริงว่านามรูปนี้คือไม่ใช่เป็นคนไปเศร้าโศกเพราะอย่างนั้นแต่เป็นคนที่มีปัญญาเห็นความจริงว่านามรูปซึ่งมีความสิ้นและความเสื่อมไปเป็นธรรมดานี่และสิ้นไปแล้วมันเป็นธรรมชาติของเขาอ่ะเขามีความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาใช่ไหม ไม่ว่าจะเป็นรูปคือตาตานี่มีแล้วก็เสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาของเขาเป็นธรรมชาติของเขาหูก็เหมือนกันก็เป็นรูปที่มีความเกิดมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาของเขาจะมูกลิ้นกายเราก็เหมือนกันใช่ไหมกายกายคือผมของเราก็เสื่อมสิ้นไปเรื่อยของเขาใช่มเริ่มเปลี่ยนสีไปเรื่อยมันก็เริ่มหมดไปเรื่อยขนของเราก็ค่อยๆเสื่อมค่อยๆเสียไปเรื่อยเล็บของเราก็ค่อยๆหมดไปฟันของเราก็เนี่ยจะไปถอนอีกแล้วเนี่ย จะไปพาด้วย <c oughs> เดี๋ยวก็หมดแล้ว <c oughs> ฟันไม่ว่าจะเป็นหนังเหมือนกันนะหนังเขาค่อยๆเหี่ยวค่อยแห้งไปธรรมชาติของเขาเป็นอย่างงั้น <c oughs> เอนกระดูกเนื้อเยื่อในกระดูกพวกเนื้อพวกเลือดพวกสิ่งต่างๆเหล่านี้นะ <c oughs> เมื่อเป็นธรรมชาติที่มีความเกิดขึ้นมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาของเขาอะ่ะมันไม่ได้แน่นอนอะไรหรอก อันพูดแต่ว่าต้องรู้จริงนะว่ารูปประคันอันนี้เนี่ยเกิดด้วยอะไรก่อนนะไม่ใช่คิดว่าไม่เที่ยงอย่างเดียวนะต้องรู้ดีจริงๆแล้วว่าผมเนี่ยผมนั้นเป็นสภาวะธรรมเป็นรูปธรรมมีรูปอยู่เท่าไหร่สี่สิบสี่รูปนะคือกายทัศกะกราบภาวะทัศกะกราบอันนะอาหารอาวินิโพครูปจิตอวินิโพครูปอุตูอวินิโพครูปใช่ไห กรรมชรูปมีอยู่สองกลาบจิตตชื้อรคหนึ่งกลาบวัตถุชื้อรคหนึ่งกลาบอาหารชรื้อรคหนึ่งกลาบเรียกว่าว่าผมรวมๆอย่างนี้สีสันฐานแบบนี้บัญญัติว่าผมที่จริงก็คือเป็นที่อาศัยของรูปประธรรมรูปประขันผมนี่เป็นวัตถุไหมเป็นวัตถุเป็นที่อาศัยเกิดของกายญวิญญาณไหมแน่นะเอาเอาเอาไอทีมันอยู่ข้างในหัวติเอาอยู่ที่ในศีสระใช่ไหมร้อนศีสระเคยไหม คันศีสษะคันผมเนี่ยคันหน้าตรงนั้นแหละความคันตัวนั้นเนี่ยอาศัยอะไรอาศัยผมคือกายกายคือผมกับความร้อนเรียกว่าโพธพพะใช่ไหมทำให้เกิดอาการคันอะ่ะอาศัยผมคือกายอันนี้เนี่ยกระทบกับความเย็นเกิดกายวิญญาณความประชุมของสามอย่างนั้นเป็นผัสสะใช่ไหมก็ผัสสะขณะที่เย็นนั้นก็เป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงมี เวทนาเวทนาอะไรเกิดต่อเอายนี้สานี้เสร็จนะเราจะไปออกงานโน่นงานนี่ก็ว่าไปเรื่อยแล้วตันหาก็ได้ช่องไปเรื่อยนั่นแหละอันต้องพิจารณาบ่อยๆนะถ้าไม่พิจารณาเป็นอวิชชานะเป็นอวิชชาเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นทุกขสัตว์อันจะต้องอบรมเรียนรู้บ่อยๆแล้วก็ผมกับเย็นอันนั้นก็เป็นรูปธรรมเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในขณะนั้นก็เป็น นามธรรมนั้นสะผมก็เจริญธรรมะได้ปฏิบัติธรรมตรงนั้นก็ได้หรือว่าอยู่ตรงนี้ก็ที่ศีรษะใครไม่รู้สึกเย็ยนร้อนบ้างหอนามาเนี่ยมีเลยอันสามารถที่จะพิจารณาได้ว่าความจริงอันนี้มีมีธรรมะอยู่อะไรอยู่บ้างพระพุทธเจ้าสอนว่าไว้ยังไงบ้างอ่าอย่างนี้เราเชื่อว่ามีพระธรรมเป็นสารณะใช่ไหมพระธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นสว่าขาโตตรัสไว้ดีแล้วท่านตรัสไว้ยังไงบ้างในเรื่องราวเหล่านี้ใช่ไหมในเรื่องของผมพระองค์ตรัสไว้ยังไง ในเรื่องของเล็บเนี่ยพระองค์ตรัสไปยังไงไม่ใช่นั่งขัดให้มันงามอย่างเดียวอย่างนั้นก็ไม่ไว้แล้วห่างนี่พานแล้วเกินยังมันก็ต้องรู้จักพิจารณาบ้างแต่ไม่ใช่พิพจารณาเสร็จแล้วก็เลยปล่อยให้มันสเปะสะปะไม่รู้จักล่างไม่รู้จักสายเกือบไปกันใหญ่เหมือนกันนะอย่าลืมนะการเจริญอินทรีย์นั้นวัตถุต้องสะอาดนะผู้ที่จะมีปัญญาได้วัตถุต้องสะอาดไม่ใช่ปล่อยให้สกรปรกโสมมมเดินผ่านใครมาล่องี่เลยนะอย่างนั้นไม่ไม่ใช่นะอย่างนั้นเนี่ยไม่ใช่แล้ว บทว่าสเสวีเป็นต้นความว่าผู้นั้นคือผู้เห็นป่านั้นได้แก่ผู้พ้นจากความยึดถือในนามรูปซึ่งมีอยู่ว่าเป็นของเราก็ดีเป็นผู้ไม่เศร้าโศกพ่อนามรูปนั้นซึ่งไม่มีอยู่ก็ดีภาษาสดาเรียกว่าภิกษุคือผู้ที่รอบรู้ในเรื่องขันห้าเรื่องรูปนามอย่างดีนี่แหละจนถึงความไม่ถือมั่นนี่แหละเรียกว่าภิกษุแสดงว่าเป็นภิกษุเพราะมีความรู้ความเข้าใจมีเป็นภิกษุเพราะความปฏิบัติ เวลาจบเทศนาสองสามีภรรยาก็บรรลุเป็นพระอนาคามีแล้วเทศนาก็ได้ประชุมชนของเรานี้เอาได้ศรัทธาก็ยังดีนะนะเรื่มสายโอ้พระธรรมคําสอนนี้สามารถจะช่วยเราให้เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ได้ก็ดีฉั้นการที่เรามีศรัทธาในพระพุทธศาสนานั้นน่ะมีศรัทธาในพระพุทธเจ้ามีศรัทธาในพระธรรมในพระสงฆ์เนี่ยชื่อว่าเป็น เป็นเรื่องที่ประเสริฐสูงสุดมากเพราะว่ากว่าจะเราทั้งหลายจะมีโอกาสได้มีศรัทธาในในพระองค์ท่านไม่ใช่ของง่ายนะบางคนเนี่ยปล่อยวิถีจิตปล่อยความคิดมาตั้งหลายสิบปีโดยที่ไม่ได้คำนึงว่าอะไรเป็นสารณะของเราเลยใช้ชีวิตไปวันๆโดยที่ไม่ได้คิดอะไรเลยหลังได้มีโอกาสศึกษาเข้าโอ้เราเนี่ยอย่างน้อยๆก็มีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมมีพระสงค์เป็นสารณะแล้วนะ การได้อันนี้ชื่อว่าเป็นการได้โดยยากชื่อว่าเป็นขณะอย่างหนึ่งเหมือนกันนะการที่พระพุทธเจ้าหรือมีผู้ศาสนาอุบัติเกิดขึ้นในโลกก็ชื่อว่าเป็นขณะที่หาโดยยากขณะที่ได้โดยยากแล้วก็ที่เราทั้งหลายจะได้มาเป็นมนุษย์และจะได้มีศรัทธาได้ศึกษาอย่างนี้ก็สิ่งเหล่านี้ก็เป็นของที่ได้โดยยากความยากอันนี้แหละแม้แต่ท่านพระมาลุงกยบุตรท่านก็แสดงธรรมะเหล่านี้ให้กับญาติของท่านฟัง คือในประวัติของพระมาลุงกะยะบุตรเถระคาถาที่หในชักกันนิบาทพระมาลุงกะยะนั้นเป็นพระที่สังสมบุญบารมีในพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆไว้แล้วคือคนที่จะบรรลุธรรมนั้นต้องมีบุญมากนะจึงจะบรรลุได้เพราะว่าผู้ศาสนานั้นพระองค์ตรัสว่าเป็นเรื่องของคนมีบุญ มีอินทรีย์ที่สะสมไว้แล้วถ้าไม่มีบุญไม่มีอินทรีย์สะสมไว้แล้วเนี่ยพระองค์ไม่รู้จะไปสงเคราะห์ให้เขาได้อะไรใช่ไหมเหมือนกับคนแจกข้าวอะ่ะแจกอาหารเนี่ยคนนั้นคนนั้นจะต้องมีภาชนะรองรับอะ่ะเพราะไม่ได้ป้อนให้ได้เนี่ยท่านสังสมบุญมาในภพนั้ น, น, นในพุทธุบาทการนี้ได้บังเกิดเป็นบุตรของนักดูเงินของพระเจ้าโกศในกรุงสาวัตถีก็คือเป็นลูกของผู้เชี่ยวชาญด้านสตังอะ่ะ สามารถที่จะวิเคราะห์เรื่องสตางค์ได้พ่อเขาเก่งมากว่งนั้นแม่ของเขาชื่อว่ามาลุงกยาด้วยอํานาจของนางมาลุงกยานั้นเขาจึงปรากฏชื่อว่ามาลุงกยบุตรนะลูกของนางมาลุงกยาั่งนั้นเขาเติบโตขึ้นเป็นผู้อัธยาศัยในการสลัดออกจากกิเลสจึงละคาราวาตออกบวชเป็นปริพาชกท่องเที่ยวไปก็คือเป็นสมัยนั้นยังไม่มีผู้าศาสนาเขา ก, ก็ไปเรื่อยของเขา ได้ฟังธรรมในสำนักของพระศาสดาได้ความศรัทธาในพระศาสนาจึงบวชบำเพ็ญวิปัสสนากรรมฐานไม่นานนักก็ได้อภิญญาหกแสดงว่าเอาจิงอภิญญาหกก็เป็นผ้าอรหันไปแล้วท่านแสดงฤทธิ์ได้ท่านมีหูทิพท่านมีตาทิพท่านรู้วาระจิตของคนอื่นท่านสา ม, มารถที่จะละลึกชาติได้แล้วก็ท่านสา ม, มารถที่จะทํากิเลสให้หมดสิ้นไปอย่างนี้เรียกว่ามีอภิญญาห แล้วท่านก็ได้ไปยังตระกูลญาติเพื่อจะไปสงเคราะห์ญาติญาติทั้งหลายได้อังคาตได้ถวายอาหารท่านด้วยขานยชนิยะโภชนิยาหารอันประณิดแล้วก็จะประสงค์จะล่อท่านด้วยทรัพย์ก็เลยไปเอากองทรัพย์เนี่ยมากองใหญ่เอาไว้ข้างหน้าเหมือนนเะเนี่ยกองทองมีเท่านี้กองนะมีเงินเท่านี้กองเหมือนกันไม่ก่อนมันไม่ได้เอาตัวตัวเลขแบบแบงค์ธนาคารมามันกองจริงๆเลยมันรวยรวยจริงเล ย, ม ย, ย, เลยไม่ได้มีแต่บัญชีนะ เสร็จแล้วก็มาอ้อนบอนว่าทรัพย์นี้เป็นของท่านขอให้ท่านศึกมาครอบครองลูกเมียทําบุญทั้งหลายด้วยทรัพย์นี้เถิดโอ้ยบวชศึกมาเป็นคารวาสให้ท่านรักษาศีลก็ได้รอกไม่ต้องบวชก็ได้พระเถระเมื่อจะเปลี่ยนอัธยาศัยของญาติเหล่านั้นก็เลยยืนอยู่ในอากาศเลยเหาะให้ดูเลยหม่นจะมวลเราศึกได้ยังไงท่านก็เลยเหาะเลยแล้วก็แสดงธรรมว่า ตันหาคือโลภะเนี่ยย่อมเจริญแก่สัตว์ผู้ประมาทเหมือนเถาย่านทายเจริญอยู่ในป่าฉะนั้นคนที่ประมาทก็เหมือนกับเถาย่านทรายที่มันเจริญขึ้นอยู่ในป่าเจริญมากๆเข้านะเถาย่านทายก็คือเป็นไม้เถาชนิดหนึ่งเป็นไม้เลื้อยที่มันขึ้นพอมันเจริญเติบโตรมากๆเข้ามันก็อุ้มอุ้มอุ้มจนต้นนั้นอตายเลยอย่างเงี้ยตันหาถ้ามันเจริญก็เหมือนกันมันทําให้เฉาจากกุศลธรรมเลยนะ บุคคลผู้ตกอยู่ในอำนาจของตันหาย่อมเร่ร่อนไปในพบน้อยพบใหญ่เหมือนวานอนเหมือนพญาพญาฮนุมานอะ่ะเหมือนพญาลิงเหมือนกันเถอะปราถนาผลไม้เร่ร่อนไปในป่าฉะนั้นพบน้อยพบใหญ่ของเราทั้งหลายเหมือนกับพวกเรานะก็เหมือนกับลิงนั่นแหละว่าไปถ้ามีโลผ้าอยู่ก็เหมือนกับลิงไต่จากป่านี้ไปสู่ป่าโน้นหาผลไมกรากไม้ไปเรื่อย ันผู้ที่ไม่รู้อริยศัสตร์จะทำด้วยอำนาจของโลภะก็พพชาติก็ไปเรื่อยถ้าถามว่ายังไงงั้นก็ละทะล ะ, ละง่ายไหมละ่ะถละง่ายพาระอรหันต์ก็เต็มบา้านเต็มเมืองไปหมดแล้ว <c oughs> เพราะฉะนั้นต้องศึกษาให้เข้าใจอนะ่ะเนาะตันหาอันชั่วช้าสร้นไปในโลกครอบงำบุคคลใดความโศกทั้งหลายย่อมเจริญแก่บุคคลนั้นเหมือนหญ้าคมบางที่ฝนตกเชยแล้วฉะนั้น ตันหาเนี่ยมันท่านว่ามันชั่วช้านะมันสร้างไปในบุคคลนายกบุคคลใดบุคคลนั้นก็จะเศร้าโศกใช่ไหมเพราะว่าตันหาเนี่ยแหละเพราะมีตันหาถึงทําให้เศร้าโศกถึงของที่รักใช่ไหมเพราะว่าสูญเสียของรักอย่างใดอย่างหนึ่งไปก็เศร้าโศกส่วนผู้ใดครอบงำตัน้นครอบงําตันหาอันชั่วช้านี้ได้ซึ่งยากที่จะล่วงไปได้ในโลกความโศกทั้งหลายย่อม ตกไปจากบุคคลนั้นเหมือนหยาดน้ําตกไปจากใบบัวฉะนั้นก็ไม่ต้องเศร้าไม่ต้องโศกอีกแล้วเพราะละได้เหมือนน้ําไม่ซับใบบัวเพราะฉะนั้นเราขอเตือนท่านทั้งหลายท่านเตือนญาติของท่านว่าขอความเจริญจงมีกับท่านให้พรก่อนนะมีความสุขความเจริญก่อนนะแต่ขอเตือนแต่เออเตือนเพื่อหวังความสุขความเจริญนะบอกว่าเตือนท่านทั้งหลายผู้มาประชุมกันอยู่ในสมาคมนี้ทั้งหมด ท่านทั้งหลายจงขุดรากตันหาดุดบุคคลผู้มีความต้องการด้วยแฝกขุดแฝกฉะนั้นนะให้ขุดตันหาซะเหมือนกับขุดหญ้ามานอย่าได้ระรานท่านทั้งหลายบ่อยๆดังกระแสน้ําพัดพาไม้อฉะนั้นท่านทั้งหลายจงทําตามพระพุทธพจน์นะจงปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเถอด ขณะอยาได้ล่วงท่านทั้งหลายไปเสียเพราะผู้มีขณะอันล่วงเลยไปแล้วย่อมยัดเยียดอยู่ในนรกเศร้าโศกอยู่ความประมาทดุจธุลีธุลีเกิดขึ้นเพราะความประมาทท่านทั้งหลายพึงถอนลูกสอนอันเสียบอยู่ในหะไทยของตนด้วยความไม่ประมาทและด้วยวิชาเอิด น, นะ ขอมาชอบที่เอามาตรงนี้ก็คือตรงที่ว่าขณะอยาได้ล่วงเลยท่านทั้งหลายไปเสียเพราะผู้ที่มีขณะอันล่วงเลยไปแล้วย่อมยัดเยียดกันในนรกเศร้าโศกอยู่ว่างั้นอะอย่าปล่อยให้มันผ่านไปนะถามว่าขณะเนี้ขณะได้ไงอะไรขณะที่พระพุทธเจ้าทรงเสด็จอุบัติเกิดขึ้นมาในโลกเนี่ยขณะนี้ง่ายไหมยากเนาะกว่าพระธรรมคาสอนของพระ อ, องค์จะมีเกิดขึ้นในโลก ขณะที่ได้เกิดในปฏิรูปประเทศนะกว่าจะได้มาเกิดเป็นชาวเชียงใหม่ได้ศึกษาพระธรรมนี่ไม่ง่ายนะนั่นแหละจะได้เกิดในปฏิรูปประเทศในประเทศที่มีการศึกษาพระธรรมคําสอนประเทศในโลกทั้งหมดมีอยู่กี่ประเทศโยมอาจารย์อะในโลกนี้มีทั้งหมดกี่ประเทศกี่ชาตินะอย่างมีหลายทวีปใช่ไหมแต่ละทวีปทั้งหมดเนี่ยประมาณกี่ประเทศในโลกนี้ประมาณร้อยเท่าไหร่สองร้อยเหรอ สรุปไปร้อยอ่ะเนาะประเทศที่นับถือผู้ศาสนามีกี่ประเทศไม่ถึงสิบประเทศมีประเทศลาวประเทศเขมรประเทศไทยประเทศเวียดนามประเทศอ่ะนะพม่าเอาแบบเทรวาตศรีลังกาอีกประเทศหนึ่งแล้วในประเทศนี้เนี่ยนะเหลือน้อยเต็มทีแล้วสมมติว่าประเทศไทยนี่ก็กระล่องกระเร่งเต็มทีแล้วประเทศเขมรนี่มัวแต่ลบกันเลยก็เลยกร่องก็แร่งไปแล้ว อย่างลาวเนี่ยก็แหมจะมีจัดแสดงธรรมอย่างนี้มางทียากนะเดี๋ยวเขาว่าเป็นรวมหัวรวมแก๊งกันอีกนั่นแหละเพราประเทศคอมมิวนิสต์ใช่ไหมมันไม่ใช่ว่าจะง่ายนะที่จะมีโอกาสได้เกิดในปฏิรูปประเทศสองขณะที่ได้สัมมาทิฏฐิเนี่ยที่จะมีสัมมาทิฏฐิศรัทธาในพระาศาสนาเนี่ยศรัทธาในคุณของพระพุทธเจ้าศรัทธาในพระธรรมในพระสงฆ์เนี่ยยากนะขณะที่มีอวัยวะทั้งหไม่บกพร่องนะขณะที่ ตาไม่บอดหูไม่หนวกจมูกไม่บิ่นปากไม่เบี้ยวนี่ม่ง่ายๆนะนะขณะที่มีผมมีขนมีเล็บมีฝันมีหนังมีเนื้อเนี่ยยากนะกว่าจะได้โอกาสได้ขณะเรานี่มาเขาเรียกว่าขณะที่มีอวัยวะไม่บกพร่องมือไม่กุดแขนไม่ขาดค้าไม่ด้วนจมูกไม่แหว่งอย่างเงี้ยมันยากนะ ที่จะได้มาในลักษณะนี้แล้วก็มีครบหมดแล้วที่จะสุขภาพดีให้มีได้ศึกษาระยะเนี่ยก็ออยากอันสังเกตดูคนที่เริ่มศึกษาพระธรรมส่วนใหญ่นี่ก็กระ พ, งระพังกับแพ่งกระปอดกับแปดเต็มทีแล้วสุขภาพส่วนใหญ่ก็แหม่ได้ไปข้างหนึ่งคือเอ๋พยามัจจุราชเนี่ยชิงไปประมาณ6 0สแล้วอ่ะเหลือมาศึกษาธรรมะแค่ยี่สอ่ะนะอีกอร์เซ็ก็ไปใช้ชีวิตอย่างอื่นใช่ไหมคือมันยากนะกว่าจะมีโอกาส ถ้าส่วนใหญ่นี่เจอไม่งามเมื่อยามขวานมันบิดไปแล้วไปฟันอย่างอื่นแล้วบิดหมดเกลี้ยงเลยงั้นเราก็ไปนึกคิดในเรื่องอื่นแทนที่จะเอาความนึกคิดเนี่ยมาศึกษาเพื่รทำคาสอนก็เลยปล่อยโอกาสปล่อยขณะให้ล่วงไปบางคนก็บอกโอ้ยแก่แล้วก็เลยไม่ศึกษาเลยก็มีแต่เราก็ดีเนาะนานุมโมทนากว่าจะได้มีโอกาสศึกษาอย่างนี้เพราะฉะนั้นพระองค์จึงตรัสว่าท่านให้พระมาลุงกะยะเนี่ยบอกว่าให้ปฏิบัติตามพระพุทธพจน์ คือทำตามพระดํารัสของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ได้ทรงตรัสไว้ว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายพวกเธอจงเป็นผู้เพ่งพินิษเพ่งพินิษเพ่งอะไรเพ่งเรื่องอ่านะให้เพ่งพินิษนะเพ่งอะไรเพ่งเอาน ะ, ะธรรมะหมวดที่เราคุ้นก็ได้เพ่งเรื่องอริยสัจก็ได้ใช่ไหมอริยสัจทางตามีไหมอริยสัจทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจ ให้เพ่งอย่างนี้มากๆพิจารณาอย่างนี้มากๆอย่าเป็นผู้ประมาทคือจงยังข้อปฏิบัติให้ถึงพร้อมตามที่ทรงพร่ำสอนมันอย่าได้ประมาทนะเพราะผู้ที่ประมาทเขายัดเยียดอยู่ในนรกแล้วนันเราไม่ต้องตามเขาไปหรอกอะไรเพราะว่าบุคคลใดปล่อยให้ขณะนั้นเลยไปเสียคือขณะที่ได้ดีทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยหรือว่าขณะนั้นล่วงเลยบุคคลใดไปเสีย บุคคลเหล่านั้นก็จะยัดเยียดกันอยู่ในนรกคือบังเกิดในนรกนั้นอ่ะเศร้าโศกอยู่สิ้นกาลนานเพราะฉะนั้นอย่าปล่อยอย่าประมาทอย่าปล่อยให้สติเนี่ยไม่มีสติเพราะฉนนั้นสติก็ควรที่จะบำเพ็ญในที่ทั้งเจสถานนั่นแหละไม่ว่าจะไปจะมาจะแลจะเหลียวจะคูเข้าจะเหยียดออกจะไม่จะซนุ่งผ้าจะรับประทานอาหารจะดื่มจะขบจะเขียวจะชั้นจะฉันจะถ่ายอุจจาระปัสสาวะก็สามารถที่จะเจริญสติสัมปชัญญะ ทั้ง4ประการในอิรยาบทเหล่านั้นได้อย่าประมาทนะเพราะว่าผู้ที่ประมาทก็ชื่อว่าเป็นคนที่ที่ตายแล้วความไม่ประมาทเป็นทางแห่งความไม่ตายฉันั้นวันนี้ก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาททุกท่านเถิด